อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคื อ, อ556 1. ้ิกภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือของภิกษุณีที่เป็นญาติ 2. อภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติสั่งให้ถวายไม่ได้ถวายเอง 3. าภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายโดยวางไว้ 4. ีภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่ภิกษุณีถวายในอาราม ห้พิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่พิกษุณีถวายในสำนักพิกษุณี6ภิกสูรับของเคี้ยหรือของฉันที่พิกษูนีถวายในสำนักเดียร์ถิเจ็ิกษุรับของเคี้ยหรือของฉันที่พิกษุณีถวายในโรงอาหาร 8. ปพิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันที่พิกษุณีนำออกจากบ้านแล้วถวาย 9. ภิกษุรับยามะกาลิกสัตตหากาลิกยาวชีวิกที่พิกษุณีถวายด้วยสั่งว่าเมื่อมีเหตุผลนิมนฉันได้ 10. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของชันที่สิกขามานาถวาย 11. ภิกษุรับของเคี้ยวหรือของชั้นที่สมเนรีถวาย 12. ภิกษุวิกลจริต 13. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมปาติเทสนียะสิกขาบทที่หนึ่งจบ